วันเวลาผ่านไปผ่านไปเรากําลังทําอะไรกันอยู่นี่คือคําถามที่พระพุทธเจ้าทรงให้ทรงสอนให้พวกเรามันถามตัวเองอยู่เรื่อยๆว่าวันเวลาผ่านไปผ่านไป เรากำลังทำอะไรกันอยู่เพราะการกระทำของเรานี้ก็มีอยู่สองทางด้วยกันทางที่หนึ่งก็คือทางที่พาไปสู่การเวียนว่ายตายเกิดทางที่สองก็คือทางที่ออกจากการเวียนว่ายตายเกิด นี่คือการกระทำที่เราทำกันอยู่เรากำลังเวียนว่ายตายเกิดกันหรือว่าเรากาลังออกจากการเวียนว่ายตายเกิดกันการกระทำอย่างไรถึงเรียกว่าเป็นการเวียนว่ายตายเกิดการกระทำที่เป็นการเวียนว่ายตายเกิด ก็คือการหาลาบยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายนี่เองเออถ้าเราอยากร่ำอยากรวยอยากเป็นใหญ่เป็นโตอยากมีหน้ามีตาอยากให้คนยกย่องสรรเสริญเยินยออยากได้ความสุขจากการเสบรูปเสียงกลิ่นรสผดทพะะต่างๆ นี่ก็คือการเวียนว่ายตายเกิดเป็นการกระทําที่จะทําให้เราต้องกลับมาเกิดอยู่เรื่อยๆนั่นเองเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นเหมือนยาเสพติดเสพแล้วมันติดเป็นใหญ่เป็นโตแล้วมันติดร่ำรวยแล้วมันติดออมีหน้ามีตามีคนยกย่องสรรเสริญเยินยอแล้วมันติด ได้ความสุขทางตาหูจมูกรินกายแล้วมันติดมันก็าจะกลับมาหาอยู่เรื่อยๆเพราะว่ามันได้เท่าไหร่มันก็ไม่อิ่มไม่พอเหมือนยาเสพติดเหมือนสุรายาเมาเหมือนบุหรี่เหมือนเครื่องดื่มต่างๆพอลองไปเสพแล้วมันจะติดติดแล้วมันจะต้องเสพอยู่เรื่อยๆ เวลาร่างกายนี้ตายไปก็จะกลับมาเสพใหม่กลับมามีร่างกายอันใหม่เพราะความอยากเสพลาบยกจัละเสนความอยากเสพสุขทางตาหูจมูกมิ้นไยมันไม่มีวันหมดไม่มีวันอิ่มไม่มีวันพอนั่นเองมันจะอยากไปเรื่อย เ, อเมื่อมีความอยากมันก็จะ มีการไปเกิดเพราะร่างกายนี้มันอยู่ได้ไม่นานอยู่ได้ประมาณร้อยปีก็ตายกันแต่ความอยากไม่ได้ตายไปกับร่างกายความอยากอยู่ที่ใจใจก็เลยถูกความอยากนี้ดึงให้ไปหาร่างกายอันใหม่เพราะถ้าไม่มีร่างกายอันใหม่ ก็จะไม่สามารถหาลาบยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายได้นั่นเองจึงต้องไปมีร่างกายอันใหม่พอมีร่างกายอันใหม่ก็ต้องไปทุกข์กับร่างกายทันทีทุกข์กับการเลี้ยงดูร่างกายทุกข์กับการดำรงชีพตามมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้อง ดล้นรนต่อสู้กับอุปสรรคต่างๆภัยต่างๆเพื่อรักษาชีวิตให้รอดไปวันๆหนึง่งแล้วถ้ารอดก็ไปเจอความแก่อีกถ้าไม่ตายก่อนแก่ก็ต้องไปเจอความแก่ต้องไปเจอความเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วในที่สุดก็หนีความตายไปไม่พ้นก็ต้องไปตายใหม่ ตายแล้วก็กลับมาเกิดใหม่นี่คือทางของลาบยศสรรเสริญทางของความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายมันจะพาให้เรานี้ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอยู่เรื่อยๆส่วนทางอีกทางหนึ่งที่เป็นทางออกจากการเวียนว่ายตายเกิดนั้นคืออะไร ทางนี้เป็นทางที่พระพุทธเจ้าเป็นผู้ทรงค้นพบเป็นผู้เดินไปก่อนเดินไปจนได้ออกจากการเวียนว่ายตายเกิดไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายเหมือนพวกเราอีกต่อไปหลังจากที่พระองค์ได้ออกจากการเวียนว่ายตายเกิดแล้วพระองค์ก็ทรง เอาความรู้นี้เอาทางนี้ทางที่พระองค์ได้สรงคนพบมาสั่งมาสอนพวกเราถ้าพวกเราเบื่อกับการเวียนว่ายตายเกิดเบื่อกับเบื่อกับการเกิดแก่เจ็บตายเบื่อกับความทุกข์ต่างๆที่จะต้องมาประสบในการที่ได้มาเกิดนี้ก็ให้เราทำตาม ทางที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสอนให้ทำกันทางที่พุทธเจ้าสอนให้เราทำก็คือทานศีลภาวนานี้เองถ้าเรากำลังทำทานหรือเรากำลังรักษาศีลหรือเรากำลังภาวนาแสดงว่าเรากำลังเดินออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิด ถ้าเราไปหาราบยศสรรเสริญหารูปเสียงกิ่นลโผดท่พผ้มาเสกเรากำลังเดินเข้าไปสู่การเวียนว่ายตายเกิดส่วนการกระทาที่ไม่เป็นคุณหรือเป็นโทษแต่ต้องทำก็คือการเลี้ยงชีพอันนี้เป็นการกระทำที่ไม่ได้พาให้เราไปเวียนว่ายตายเกิด หรือไม่ได้พาให้เราออกจากการเวียนว่ายตายเกิดเป็นการดํารงชีพที่เราจำเป็นจะต้องทำเพราะเราต้องมีร่างกายที่จะพาให้เราไปทำในทางที่จะพาให้เราออกจากการเวียนว่ายตายเกิดแม้แต่พระพุทธเจ้าเองก็ยังต้องเลี้ยงชีพของตนเองหลังจากที่ในระหว่างที่ ปฏิบัติทำเพื่อให้หลุดพ้นก็ยังต้องเลี้ยงชีพตัวเองหลังจากที่หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดแล้วก็ยังต้องเลี้ยงชีพตนเองอันนี้เป็นความจำเป็นถ้ามีร่างกายก็ต้องเลี้ยงชีพของร่างกายไปจนกว่ามันจะตายไปเท่านั้นถึงจะหมดหน้าที่อันนี้ไม่ได้ถือว่าเป็นการไปเวียนว่ายตายเกิด ถ้าเราทำงานเพื่อหาปัจจัยสี่หาอาหารหาเครื่องนุ่งหม่มหาที่อยู่อาศัยหายารักษาโรคมาดูแลร่างกายนี่ไม่ได้เป็นการไปเวียนว่ายตายเกิดหรือไม่ได้เป็นการไปออกไปจากการเวียนว่ายตายเกิดเป็นการเลี้ยงชีพเท่านั้นเอง ถ้าทำเพียงแต่เลี้ยงชีพยอย่างเดียวไม่ไปทำบุญทำทานไม่ไปรักษาศีลไม่ไปภาวนาก็ยังออกจากการเวียนว่ายตายเกิดไปไม่ได้ก็ยังจะติดอยู่ต้องไปทำบุญทำทานไปรักษาศีลไปภาวนา ถึงจะสามารถที่จะออกจากการเวียนว่ายตายเกิดได้เพราะถ้าได้เลี้ยงชีพนั่งกายแข็งแรงมันเดี๋ยวก็อดที่จะไปเที่ยวไม่ได้อดที่จะไปหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายไม่ได้อาจจะไม่ได้อยากได้ลาบยศอาจจะไม่ได้อาจจะไม่อยากร่ำรวยอาจจะไม่ได้อยากเป็นใหญ่เป็นโต อาจจะไม่ได้อยากมีหน้ามีตาแต่ความอยากมีความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนี้มันยังมีอยู่และมันก็จะต้องหาด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งชาวนาชาวไร่คนยากคนจนเขาก็หาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายของเขาอยู่เพียงแต่ว่ามันอาจจะต่างกับคนร่ำคนรวยของที่หาอาจจะไม่เหมือนกัน ราคาแพงน้อยแพงหรือถูกต่างกันแต่ก็ยังหารูปเสียงกิจลดเหมือนกันเช่นไปมีครอบครัวมีสามีมีภรรยาอันนี้ก็เป็นการไปเวียน่ายตายเกิดเพราะยังไปเสพความสุขทางตาหูจมูกื่นกายอยู่นั่นเองอนี่คือ เรื่องของการกระทำของเราที่เราทำกันอยู่ก็มีอยู่สามลักษณะด้วยกันลักษณะแรกนี้เหมือนกันทุกคนก็ต้องเลี้ยงปากเลี้ยงท้องต้องหาปัจจัยสี่ด้วยกันทุกคนหาอาหารหาเครื่องนุ่งหม่มหายารักษาโรคหาที่อยู่อาศัยมาเลี้ยงดูร่างกาย อันนี้เป็นเรื่องปกติของการดำรงชีพถ้ายังอยากจะมีชีวิตอยู่เป็นปกติก็ต้องมีปัจจัยสี่ถ้ามีปัจจัยสี่ครบแล้วถ้าเกิดความอยากได้มากกว่านี้ก็จะเป็นการไปหาการเวียนว่ายตายเกิดเช่นอยากได้เสื้อผ้าทั้งๆ ท, ที่มีพออยู่แล้ว อยากได้เพิ่มเห็นเสื้อผ้าใหม่ๆสวยๆงามๆอยากได้มาสวมใส่เสริมสวยความงามความสวยงามของร่างกายอย่างนี้ก็จะเป็นการไปเวียนว่ายตายเกิดไปเสพความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายโดยการเห็นเสื้อผ้าสวยๆงามๆที่เอามาสวมใส่ เพื่อให้เห็นให้เห็นร่างกายของตนว่าสวยว่างามอันนี้ก็ถือว่าเป็นการไปเวียนว่ายตายเกิดแต่ถ้ามีเสื้อผ้าซื้อมาพอมาสวมมาใสจะสวยไม่สวยไม่เป็นปัญหาอะไรขอให้มันทำหน้าที่ของมันได้ก็พ อ, อคือมาปกปิดอวัยวะมาป้องกัน ร, รักษา ร่างกายไม่ให้เจ็บไข้ได้ป่วยจากอากาศที่หนาวเย็นหรือจากมแมงสัตว์กัดต่อยต่างๆถ้าทำแบบนี้ก็ไม่ถือว่าเป็นการไปเวียนไหวส า, ายเกิดเป็นเพียงแต่เป็นการรักษาดูแลร่างกายไปให้มันอยู่เพื่อที่จะได้เอาร่างกายนี้มามาทำ ในการที่จะไปออกจากการเวียนว่ายตายเกิดก็คือเอาเราต้องมีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงเราถึงจะไปทำทานไปรักษาศีลไปภาวนาได้ถ้าร่างกายไม่แข็งแรงอดอยากขาดแคนไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงเจ็บไข้ได้ป่วยก็จะยากต่อการปฏิบัติ เพื่อให้ออกจากการเวียนว่ายตายเกิดผู้ที่ปฏิบัติทำรรเช่นพระนักบวชนี่ท่านก็ต้องดูแลร่างกายของท่านท่านก็ต้องมีการบิณฑบาตหาอาหารมาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องหาจีวรมาสวมใส่หาที่อยู่อาศัยมาหลบฝนหลบแดดหายารักษาโรคมารักษาร่างกาย เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเพราะถ้าร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยก็จะยากต่อการบำเพ็ญทานศีลภาวนานี้เองจำเป็นจะต้องมีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงเัง mm hmm. นั้นการหาปัจจัยสีนี้จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นสําหรับผู้ที่ต้องการที่จะออกจากการเวียนว่ายตายเกิด สำหรับผู้ที่ต้องการจะไปในทางของทานศีลภาวนา<ม>ก็ต้องดูแลร่างกายก่อนถ้าร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วย<ม>ก็จะไม่ได้มาวัดมาฟังเทศฟังธรรมที่เป็นต้นตอของการปฏิบัติเพราะการการที่จะไปปฏิบัติธรรมให้ถูกต้องได้ก็ต้อง ฟังเทศฟังธรรมก่อนต้องรู้ว่าวิธีที่จะออกจากการเวียนว่ายตายเกิดนั้นทำอย่างไรถ้าร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยนอนอยู่ในโรงพยาบาลนอนอยู่ในบ้านก็จะไม่สามารถฟังเทศฟังธรรมได้ถึงแม้จะฟังได้ก็จะไม่สามารถปฏิบัติได้ถ้าไม่มีกำลังวังชา าจะนอนอย่างเดียวจะหลับอย่างเดียวดังนั้นงานสำคัญอันดับแรกของพวกเราที่เราต้องทำกันอยู่เป็นประจำก็คือการดำรงชีพการเลี้ยงชีพด้วยปัจจัยสี่แต่ต้องหาปัจจัยสี่มาในความในให้ใน ในในที่เรียกว่าพอประมาณคือไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปไม่ฟุ้งเฟือยไม่ประหยัดจนอัตคัดขัดสนให้พอดีกับความต้องการของร่างกายมากเกินไปก็ไม่ดีน้อยเกินไปก็ไม่ดีให้มันพอดีปัจจัยสีแล้วก็ไม่ต้องรู้หลา ไม่ต้องเป็นของแพงเกินความจําเป็นอาหารแพงอาหารถูกถ้าทําหน้าที่ของอาหารได้ก็เหมือนกันอาหารมีหน้าที่เลี้ยงดูร่างกายให้อิ่มน้ำำานําสําราญให้เป็นปกติสุขไม่อดอยากขาดแคลนจะเป็นอาหารถูกอาหารแพงก็ทําหน้าที่ได้เหมือนกัน เช่นอาหารมื้อละร้อยกับอาหารมื้อละห้าร้อยกินเข้าไปก็อิ่มเหมือนกันยังั้นก็ให้หาตามความเหมาะความเหมาะสมกับกําลังของเราถ้าเรามีฐานะมีเงนินมีทองเราจะกินของแพงหน่อยก็ไม่เป็นปัญหาอะไรแต่ถ้าเป็นผู้ที่อยากจะ ออกจากการเวียนว่ายตายเกิดก็ควรจะมากน้อยจะดีกว่าก็กินแบบถูกที่สุดน้อยที่สุดให้มันพอกับความต้องการของร่างกายก็พอให้มันทำหน้าที่เลี้ยงดูร่างกายได้ก็พอเสื้อผ้าก็เหมือนกันเอาแบบน้อยที่สุดเอาแบบถูกที่สุดน้อยก็คือเท่าที่จำเป็นที่จะต้องมีถูกที่สุดก็คือ ถ้าเสื้อผ้าชุดละสองร้อยกับเสื้อผ้าชุดละสองพันมันทําหน้าที่ได้เหมือนกันก็ให้เอาเสื้อผ้าชุดละสองล้ามาใสยใส่ก็พอเพราะจะได้ไม่เป็นภาระในการหานั่นเองถ้าใช้ของแพงก็จะต้องมีภาระในการหาเงินหาทองมาใช้มัน แล้วก็จะอาจจะทำให้ไม่มีเงินมาทำบุญทาทานไม่มีเงินมาทาบุญทาทานไม่มีเวลามาเข้าวัดมารักษาศีลมาภาวนาเพรนั้นเราอย่าเสียเวลาให้มันมากเกินไปกับการดำรงชีพทำในลักษณะแบบมากน้อยสันโดษคือมากน้อยเอาน้อยน้อยเอาเท่าที่จำเป็น เอาให้พออยู่ได้ไม่ต้องหรูหราไม่ต้องฟุ่มเฟือยไม่ต้องแพงถ้าของที่เอามาใช้เลี้ยงดูร่างกายได้มันมันเลี้ยงดูร่างกายได้ไม่มีราคาแพงมันก็ไม่ต้องเสียเงินมากเมื่อไม่เสียเงินมากก็ไม่ต้องใช้เงินมากไม่ใช้เงินมากก็ไม่ต้องหาเงินมากจะได้มีเวลามา รักษาศีลมาภาวนากันได้ถ้ามัวแต่เอาเวลาไปหาเงินแล้วเพื่อเอามาใช้ซื้อของแพงๆซื้อของหรูหราอันนี้ก็จะทำให้ไม่มีเวลามากพอต่อการที่จะมารักษาศีลมาภาวนานั้นเองการดำรงชีพด้วยปัจจัยสี่จึงควรทำในลักษณะ มากน้อยสันโดษมากน้อยยินดีเอาเนยน้อยกินข้าวจานสองจานก็พอพอรู้สึกอิ่บก็หยุดกินอย่าไปกินจนทำให้ร่างกายมันมีน้ำหนักเกินต้องหัดรู้จักหากข้ามจิตใจกินเพื่ออยู่อย่าอยู่เพื่อกินเราไม่ได้มาอยู่เพื่อถ้าอยู่เพื่อกินก็ก็อยู่เพื่อเวียนว่ายตายเกิดนะก็กินเพื่อเวียนว่ายตายเกิด ได้อยู่เพื่อกินถ้าแสวงหาความสุขจากการกินอาหารอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการเสพรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะของอาหารก็จะเป็นการนำไปสู่การเวียนว่ายตายเกิดการกินโดยที่ไม่ได้นำไปสู่การเวียนว่ายตายเกิดก็ต้องกินแบบมักน้อยสันโดษกินแบบพอมีพออยู่พอกินไป ตามมีตามเกิดไปกินแบบพระบินทบาทเนี่ยบินทบาทก็ได้อะไรมาก็กินตามมีตามเกิดญาติโยมถ้าอยากจะกินแบบพระบินทบาทก็เวลาไปร้านอาหารก็ไม่ต้องเลือกอาหารบอกให้ร้านมันจัดมาให้ก็แล้วกันเออเอามาสักสองสามอย่างไว้อะไรก็ได้เนี่ยเรียกกินแบบตามมีตามเกิด นักน้อยก็ก็คือกินน้อยๆกินพอให้มันอิ่มก็พออยากกินแบบบางกินแบบยัดพูดง่ายๆคืออิ่มแล้วยังยัดมันเข้าไปอีกยังเพราะมันยังอยากกินอยู่ถ้ากินอย่างนั้นจะกินเพื่อความสุขกินเพื่อความสุขมันก็จะทำให้ติดเรื่องกินแล้วมันจะทำให้เรากลับมากินอยู่เรื่อย กลับมาเวียนว่ายตายเกิดบางคนกลับมาเชื่อไม่กลับมาเกิดเพื่อกินเงี้ยคนที่กลับมากินเยอะๆร่างกายตัวใหญ่ๆกลมๆเนี่ยส่วนใหญ่เป็นพวกนี้อยากจะกลับมากินเงินอยากจะหาความสุขจากการกินเงินเกิดจึงต้องกลับมาเกิดมากินอยู่เรื่อยๆตายไปก็ต้องอยากจะกลับมาเกิดใหม่มากินใหม่ เขาเรียกว่าพวกมักมากพวกมักกินชอบกินแต่บางคนชอบเปิดพิสดารเนี่ยพวกนี้ต้องไปหาที่อาหารอาหารแปลกๆกินออาหารใกล้บ้านกินแล้วเบื่อต้องเดินทางไปไกลต้องเสาะแสวงหาเขาจึงมีผู้ไปเสาะแสวงหาที่ต่างๆแล้วเอามาบอกมาเล่าให้ฟังเชลชวนชิมเนี่ยนะ เปิดพิสดารเนี่ยพวกนี้เขารู้ใจพวกที่ชอบกินเขาก็ไปหาที่กินแปลกๆอาหารที่อร่อยอร่อยแล้วก็มาบอกมาเล่าพวกที่เกิดมาเพื่อกินก็จะไปหาที่เหล่านี้กินกันแต่ไม่รู้เหรอว่าเป็นเหมือนปลาที่ติดปลาที่ติดเหยือ่อไปกินเหยื่อที่ติดอยู่ปลายเบ็ดเหยื่อมันจะ อ, อร่อยขนาดน้อย แต่มันก็มีเบดเกี่ยวปากเข้าใจไมอมกินแล้วมันจะติดถ้าติดในรสชาติของอาหารนี่มันจะติดรูปเสียงกลิ่นรสของอาหารแล้วมันก็อยากจะกลับมากินอยู่เรื่อยๆอันนี้การกินแบบความอยากนี่ก็เป็นเหตุที่จะทําให้เรากลับมาเวียนว่ายตายเกิดได้เหมือนกันการซื้อเสื้อผ้าอาพรสวยๆงามๆก็แบบเดียวกัน อันนี้ไม่ได้ซื้อเพื่อไม่ได้ใส่เพื่อปกปิดร่างกายเพียงอย่างเดียวใส่เพื่อเสริมความสวยความงามอันนี้อันนี้ก็จะเป็นความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเหมือนกันด้วยการมีเสื้อผ้าสวยๆงามๆ ม, มาใส่อันนี้ก็เรียกว่าเสพสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนนก็จะเป็นเหตุที่จะพาให้กลับมาเวียนว่ายตายเกิดเหมือนกัน งั้นต้องระมัดระวังในการใช้ปัจจัยสี่ใช้ให้มันตามเหตุตามผลอย่าใช้ด้วยตามความอยากถ้าอยากให้มันสวยๆงามๆเนี่ยเป็นความอยากบ้านก็ต้องสวยๆงามๆเป็นคอนโดหรูหรามีเครื่องประดับประดาร้อยแมีเครื่องอํานวยความสุขความสะดวกความสบายร้อยแปด มีน้ำร้อนน้ำเย็นมีอากาศร้อนอากาศเย็นปรับอุณหภูมิอะไรต่างๆเหล่านี้อันนี้ก็อยู่แบบเพื่อกลับมาเวียนว่ายตายเกิดเพราะมันจะติดความสุขแบบนี้รักษาโรคโลกภัยไข้เจ็บก็เหมือนกันสมัยนี้รักษาโรคภัยแบบกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่ ไปโรงพยาบาลอยู่เหมือนกับไปอยู่โรงแรมเห็นไหมหรูหรามีเครื่องอำนวยความสะดวกความสุขแต่มันจะสุขยังไงคนเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็นอนกระเดวกระเดาอยู่บนเตียงอยู่นั่นแหละถึงแม้ว่าจะห้องพักหรูหราขนาดไหนมีเครื่องบันเทิงให้ดูให้ฟังแต่มันร่างกายมันเจ็บไข้ได้ป่วยมันไม่มีกระจิตกระใจที่จะดูหรอก การกระทําเหล่านี้ถึงแม้ว่าจะเป็นการหาปัจจัยสี่ก็ยังถือว่าเป็นการไลเวียนไหวตายเกิดอยู่เพราะยังอยากจะหาความสุขจากสิ่งต่างๆเหล่านี้มากเกินความจำเป็นของร่างกายนั่นเองถ้าอยากจะดูวิธีอยู่ใช้ปัจจัยสี่ แบบไม่ไปเวียนไหว้ตายเกิดก็ต้องดูแบบพระพุทธเจ้าดูแบบพระสาวกเนี่ยอาหารท่านก็บินทบาตแล้วกลับมาจากบินทบาต ท, ท่านก็เอาอาหารรวมใส่บาตรหมดอาหารข้าวอาหารหวานของขาวของหวานขนมนมเนยมีอะไรก็ใส่ไปในบาตรบางองค์ท่านก็คลุกมันเลยคนมันเลย เพราะว่าเดี๋ยวมันก็ต้องไปรวมกันอยู่ในท้องอยู่ดีงั้นก่อนมันจะรวมที่ท้องก็ให้มันรวมที่บาทก่อนมันจะได้ดัดสันดาลกิเลสตัณหาตัวที่อยากจะพาให้มาเวียนว่ายตายเกิดกิเลสตัณหามันอยากจะกินแบบแยกๆ ก, กันกินอาหารชนิดนี้ก่อนแล้วค่อยตามด้วยอาหารชนิดนั้นแล้วค่อยตามด้วยของหวานของอะไรต่างๆ ถ้ากินแบบนี้ก็ยังเรียกว่ากินเพื่อหาความสุขอยู่กินเพื่อกลับมาเวียนว่ายตายเกิดถ้าถ้าจะกินแบบไม่กลับมาเวียนว่ายตายเกิดก็ต้องกินแบบข้าวหมานั่นน่ะเวลาเราคลุกข้าวให้หมากินน่ะกินแบบนั้นมันไม่ได้กินเพื่อความสุขเพราะมันไม่สุขเวลาจะกินอาหารแบบนั้นอาหารที่เราได้มาใส่ไปในบาทแล้วคลุกมันเข้าไปน้าแกงก็ใส่เข้าไป ของหวานก็ใส่เข้าไปผลไม้ก็ใส่เข้าไปของอะไรที่จะเข้าไปในท้องก็ให้มันใส่เข้าไปในในบาทนั้นก่อนแล้วก็คุก ม, มันคนมันแล้วก็ตักกินเข้าไปในบาถ้ากินแบบนี้แล้วไม่ได้กินเพื่อมาเวียนว่ายตายเกิด<ม>กินเพื่อเลี้ยงชีพจริงๆนี่คือวิธีการกินของพระพุทธเจา้าของพระสาวกวิธีที่ท่านที่ท่านสอนให ผู้ที่ปรารถนาที่อยากจะหลุดออกจากการเวียนว่ายตายเกิดให้กินแบบนี้ให้กินแบบกินเพื่ออยู่ไม่ได้ให้อยู่เพื่อกินไม่ได้กินตามความอยากไม่ได้หาหาความสุขจากการกินให้กินเหมือนกับกินยากินอาหารเหมือนกับกินยายารักษาโรคนี่จะเป็นในรูปแบบไหนเราก็กินเหมือนเราไม่ได้ไปเลือกว่า ขอยาสีเขียวนะขอยาสีแดงนะขอยาหวานนะยาเปรี้ยวนะไม่มีหรอกเขาให้มากินยาก็กินก็ไปเกินก็ไปให้มันเข้าไปในร่างกายก็ใช้ได้นะให้กินแบบกินยาถึงจะเป็นการเลี่ยงชีพแบบที่ไม่พาให้ไปสู่การเวียนว่ายตายเกิดนะถ้าเรารู้จักการ อยู่แบบมากน้อยสันโดษในเรื่องของปัจจัยสี่เราก็จะลดการเวียนว่ายตายเกิดไปได้ในระดับหนึ่งพระพุทธเจ้าสอนให้พระบิณบาทส่วนผ้าที่เอามาสวมใส่ในสมัยก่อนก็ให้ไปเก็บผ้าในป่าชาที่เรียกว่าผ้าบางสกุลผ้าหอ่อศพสมัยก่อนเขาไม่เผาศพไม่ฝังศพ คนตายก็เอาผ้ามัดห่มมัดห่อไว้แล้วก็เอาไปทิ้งในป่าชา้าทีนี้พอร่างกายเปื่อยกลายเป็นกลายเป็นกระดูกเหลือแต่กระดูกก็มีผ้ามันก็เลยก็ไม่ก็มีคนอยากจะได้เสือ้อได้ผ้ามาใช้หุ่มห่มหอก็ไปเก็บผ้าในป่าช้ามาพระนี้ไม่มีไรายได้ไม่มีเงินทอง สมัยก่อนไม่มีใครถวายผ้ามีแต่ใส่บาตรอย่างเดียวสมัยพระพุทธเจ้าออกบวชนั้นพวกนักบวชนี้ได้แต่บินทบาทจากชาวบ้านแต่ผ้านี้ไม่มีใครถวายไม่มีใครให้นักบวชเขาก็มีศักดิ์ศรีเขาก็ไม่ขอเมื่อไม่ให้เขาก็ไปหาตามป่าชาตามป่าช้านี้จะมีผ้าหอ่อศพ ก็ไปเก็บเอาผ้าห่อศพมาซักมาย้อมมาตัดมาเย็บให้มาเป็นผ้าจีวรไว้นุ่งห่มอันนี้คือผ้าที่ใช้ในกะที่พระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายใช้กันเป็นผ้าหอ่อศพที่เราเรียกว่าผ้าบางสกุลสมัยนี้เราก็ยังมีบางสกุลแต่บางเป็นผ้าบางสกุลปลอมผ้าที่เราชักในงานศพนี่ ที่เราถายในงานศพที่เราเรียกบางส ก, กุลแต่มันไม่ได้เป็นผ้าห่อศพแล้วมันเป็นผ้าดีผ้าสำเร็จรูปผ้าตัดเย็บแล้วขายอยู่ตามร้านเราไปซื้อมาทำเป็นผ้าหอ่อศพผ้าบางส ก, กุลแต่ความจริงมันเป็นบางส ก, กุลปลอมถ้าบางส ก, กุลจริงมันไม่มีแล้วสมัยนี้ยุคนี้มันไม่มี ไม่มีการเอาศพไปทิ้งในป่าชาเอาผ้าหอ่หอห่อศพแล้วไปทิ้งในป่าชาผ้าบางสกุลเลยไม่มีก็เลยต้องถือเป็นผ้าตามมีตามเกิดก็แล้วกันได้ผ้าอะไรมาก็ใช้มันไปตามมีตามเกิดนี่คือการใช้ผ้าแบบแบบที่ไม่เป็นกิเลสตัณหาแบบที่ไม่ไปเวียนว่ายตายเกิด ใช้ผ้าถูกๆใช้ผ้าที่เอามาทำหน้าที่หุ้มห่อร่างกายได้ก็พออย่าไปหลงไรลคลั่งคล้กับผ้าเสื้อผ้าที่ขายตามร้านที่มีราคาแพงๆเลยมีเครื่องประดับอะไรต่างๆแพลวแพา ว, พาวมันก็เป็นเสื้อผ้าไว้หุ้มห่อร่างกายเหมือนกันอย่าไปเสียเวลา เสียเงินเสียทองให้หมดไปกับเรื่องราวเหล่านี้เพราะมันจะทำให้เราไม่มีเวลาไปรักษาศีลไม่มีเวลาไปภาวนาไปปฏิบัติธรรมกันนั่นเองเราจึงต้องพยายามใช้ปัจจัยสี่ให้มันน้อยที่สุดให้มันถูกที่สุดเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องหาเงินมากเมื่อเราไม่ต้องหาเงินมากเราก็จะได้มีเวลาที่เราจะได้ไป วัดไปรักษาศีลไปภาวนาได้นั่นเองเพราะว่าการที่จะออกจากการเวียนว่ายตายเกิดนั้นต้องทำทั้งทานทั้งศีลทั้งภาวนาทานก็เหมาะสำหรับกับคนที่ร่ำรวยคนที่ไม่รวยก็ไม่ต้องทำทานก็ได้ถ้าไม่มีเงินทำก็ไม่ต้องทำคนที่มีเงินก็ทำไปเพราะถ้าไม่ทามันก็ ไม่รู้จะเก็บไว้ทำอะไร เ, เก็บไว้ก็ไม่ได้ใช้ถ้าเอาไปใช้กับของฟุ่มเฟือยมันก็เป็นการไปซื้อการเวียนว่ายตายเกิดก็เลยต้องเอาไปทำบุญทําทานเพราะทำแล้วจะทำให้มีความอิ่มใจสุขใจขึ้นม า, าสบายใจขึ้นม า, าคนที่ไม่มีก็ไม่ต้องไปเดินลนหาเงินมาทําบุญทําทาน เ, าเพราะว่า มันได้บุญน้อยกว่าการไปรักษาศีลไปปฏิบัติธรรมแทนที่จะเอาเวลาไปหาเงินทองเพื่อเอามาทำบุญซึเอาเวลาไปอยู่วัดไปรักษาศีลไปภาวนาดีกว่าได้บุญมากกว่าได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้มากกว่าการที่ทำด้วยการทำบุญทาทานทาบุญทาทานนี้เหมาะสำหรับคนที่มีเงินเหลือกินเหลือใช้ หรือต้องการที่จะหักห้ามจิตใจไม่ให้ใช้ไปตามความอยากต่างๆถ้ามีเงินแล้วเดี๋ยวความอยากมันอยากจะซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆอยากจะซื้อของหรูหราต่างๆก็เอาเงินที่อยากไปซื้อของฟุ่มเฟือยหรูหราเหล่านี้เอาไปทำบุญเสียมันจะได้ไม่มีเงินม า, าให้เรามาใช้ในในการเวียนว่ายตายเกิด เอาไปทำทานจะได้ตัดการใช้เงินที่จะพาให้เราไปเวียนว่ายตายเกิดแล้วจะทำให้เร า, าจะได้ไปอยู่วัดได้นั่นเองเมื่อเราเมื่อเราไม่ต้องมีเวลาไม่ต้องใช้เวลามากต่อการหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเรามีเวลาว่างเราก็มารักษาศีลกันรักษาศีลห้ารักษาศีลแปดกัน ตอนต้นก็ต้องเริ่มจากศีลห้าก่อนถ้าเรายังรักษาศีลห้าไม่ได้เราก็จะรักษาศีลแปดไม่ได้ดงนั้นเบื้องต้นก็ต้องหัดรักษาศีลห้าไปก่อนถ้าศีลห้ายังไม่ได้ก็เอาศีลสี่ก็ยังดีไม่สี่ก็สามยังไงก็ให้มันได้สักข้อหนึ่งอย่า้เรียกว่ารักษาศีล รักษาศีนหนึ่งก่อนก็ได้เหมือนเรียนหนังสือก็ต้องเริ่มที่ปหนึ่งก่อนได้หนึ่งข้อแล้วเดี๋ยวก็รักษารักษาสองข้อก็เลื่อนขึ้นปสองพอรักษาสงสามข้อก็ขึ้นปสามเดี๋ยวก็ได้ปห้าจบปห้าก็ต่อปหกได้แล้วปเจ็ดปแปดไปเดี๋ยวก็ได้ครบแปดข้อ ถ้าได้ครบแปดข้อก็จะมีเวลาที่จะเอามาปฏิบัติทำได้เต็มที่เพราะผู้ที่ถือศีลแปดแล้วถ้าไม่ต้องไปทำงานทำการหาเงินหาทองก็จะมีเวลาปฏิบัติทำได้ทั้งวันทั้งคืนตั้งแต่ตื่นมาจนหลับเลยนี่คือเป้าหมายก็คือให้เรา หลุดออกจากวงจรของการหาเงินหาทองใช้เงินใช้ทองแบบพุ่มเฟือยเพื่อที่เราจะได้มีเวลามาภาวนาอย่างเต็มที่นั่นเองภาวนาก็คือมาทำใจให้สงบเรียกว่าสมาธิแล้วก็มาสอนใจให้ฉลาดเรียกว่าวิปัสสนาหรือปัญญาการปฏิบัตินี้จาเป็นจะต้องรักษาศีลแปดเพราะจะได้ ห้าไม่ให้ใจไปทำกิจกรรมอย่างอื่นนั่นเองไม่ให้ไปหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายถ้าถือศีลแปดศีลข้อสามก็เปลี่ยนเป็นอัปรมัจจริยาถ้าถือศีลห้าก็การเมสุมิฉาจาราถ้าถือศีลห้ายังร่วมนนร่วมหลับนอนกับแฟนได้อยู่ถ้าอยากจะภาวนาก็ต้องหยุดร่วมหลับนอนกับแฟนนอนคนเดียว จะได้มีเวลามาภาวนาได้มีเวลามานั่งสมาธิได้ฉะนั้นคนที่ถือศีลแปดก็เลยไม่ร่วมหลับนอนกับใครนอนคนเดียวอจะได้มีเวลามานั่งสมาธิแทนแทนที่จะไปทํากิจกรรมกับแฟนก็จะได้เอาเวลาที่ไปทํากิจกรรมกับแฟนมานั่งสมาธิมาเจริญปัญญามาฟังเทศฟังธรรมเอ อาหารก็ไม่กินหลังจากเที่ยงวันไปแล้วพอกินอาหารพอหลังจากเที่ยงวันไปแล้วก็ไม่ต้องมากังวลกับเรื่องอาหารอีกต่อไปสามารถภาวนาได้หลังจากเที่ยงวันไปแล้วถ้ายังรอกินอาหารเย็นอยู่ก็เดี๋ยวก็ยังต้องคอยคิดถึงเรื่องอาหารอยู่จะนั่งสมาธิก็นั่งไม่สงบกลัวเดีย๋ยวกลัวเดี๋ยวไม่ได้กินอาหารเย็นถ้าจิตสงบก็เลย อต้องรอให้กินอาหารเย็นก่อนถึงจะไปนั่งสมาธิพอกินอาหารเย็นแล้วถ้าไม่ได้ถือศีลแปดเดี๋ยวก็อยากจะดูหนังก่อนดูข่าวก่อนดูละครก่อนเออะไรก่อนเอดูเสร็จเดี๋ยวก็อยากจะไปหลับนอนกับแฟนเอแต่ถ้าถือศีลแปดกิจกรรมเหล่านี้ก็ทําไม่ได้เลยพอหลังจากเที่ยงวันไปแล้วก็จบกิจกรรมเรื่องทางร่างกาย อีนี้ก็จะได้เอาเวลาที่เหลือทั้งวันนี้ไปจนถึงเวลาที่จะนอนเนี่ยมาใช้กับการปฏิบัติธรรมได้มาฟังเทศฟังธรรมมานั่งสมาธิมาเจริญปัญญาได้นี่คือการกระทาที่เราควรจะถามตัวเราเองอยู่เรื่อยๆว่าเรากำลังทำอะไรอยู่ เราจะได้รู้ทิศทางจุดหมายปลายทางเหมือนกับเราขึ้นรถไฟรถเมลเราจะมากจะดูเลขของรถไฟใช่หไหมรถว่านี่สายอะไรสาย เ, เดี๋ยวนี้มีรถเวลาจะขึ้นรถนี้ต้องดูก่อนแล้วว่ารถนี้จะวิ่งไปที่ไหนถ้าไม่ได้เป็นจุดหมายปลายทางที่เราจะไปเราก็ไม่ขึ้นหรือถ้าขึ้นรู้ว่าขึ้นผิดเราก็ต้องลงใช่หไหม อันนี้ก็แบบเดียวกันเนี่ยการกระทําของเรานี้ก็เป็นเหมือนกับการขึ้นรถเมล์ขึ้นรถไฟเนี่ยเราขึ้นถูกรถรึเปล่าถูกคันหรือเปล่าถูกขบวนหรือเปล่าเราอยากจะไปเชียงใหม่แต่รถมันวิ่งไปภูเก็ตอย่างเงี้ยเราจะทําไงเราก็ต้องลงละต้องเปลี่ยนรถใหม่ถ้าเราอยากจะออกจากการเวียนว่ายตายเกิดแล้วเรายังอยู่ในขบวนรถที่จะพาเราไปเวียนว่ายตายเกิดเราก็ต้องเปลี่ยนรถละเปลี่ยนขบวนลง ถ้าเรายังหาลาบยศจันทรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายอยู่เนะนี่ยก็แสดงว่าเรากําลังไปเวียนว่ายตายเกิดกันถ้ายังอยากร่ำอยากรวยเห็นคนอื่นเขารวยเขาแหมอยากเป็นเหมือนเขาเขาร่ำรวยมีรถเก๋งคันหลายคันมีเครื่องไม้เครื่องใช้ไม้สอยหรูหรามีราคาแพงแพงมีเงิน มีสร้อยทองสร้อยเงินมีเพชรมีอะไรมีเสื้อผ้าสวยๆงามๆเห็นแล้วก็อยากจะรวยเหมือนเขาถ้าเกิดความอยากรวยแบบนี้อยากจะรวยก็แปลว่ากําลังอยากจะไปเวรไหว้ตายเกิดอยากเป็นใหญ่เป็นโตเห็นคนก็เป็นใหญ่แล้วอยากเป็นเหมือนเขาเป็นหัวหน้าเป็นเจ้านายนี่มันสนุกกว่าเป็นลูกน้องก็อยากเป็นใหญ่เป็นโตกัน อยากได้รางวีรางวัลแข่งกีฬาก็อยากจะได้เหรียญทองอันนี้ก็เป็นความอยากที่จะพาให้เราไปเวียนว่ายตายเกิดกันเราต้องรู้ว่านี่คือกระบวนกถที่จะพาเราไปก็ไปสู่การเวียนว่ายตายเกิดคือความอยากเรา่มอยากรวยอยากเป็นใหญ่เป็นโตอยากมีหน้ามีตาอยากมีเกียรติอยากมีคนยกย่องสรรเสริญเยินยอ อยากได้รับรังวีรางวัลต่างๆแล้วก็อยากเที่ยวหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆสถานบันเทิงต่างๆมหัศลศพต่างๆอันนี้แหละเป็นการไปเวียนไหวตายเกิดโดยที่เราไม่รู้สึกตัวกันเพราะเราไม่รู้ว่าเรานี่ไม่ได้เป็นร่างกายเราไม่รู้ว่าหลังจากที่ร่างกายตายไปแล้ว เหล่านี้ถ้ายังมีความอยากเหล่านี้อยู่เราก็ยังจะต้องไปเกิดใหม่ต่อไ ป, ไปมีร่างกายอันใหม่คนส่วนใหญ่จะไม่คิดกันคิดว่าตายแล้วก็จบเมื่อร่างกายตายแล้วใครจะไปเกิดใหม่คิดว่าใจกับร่างกายเป็นอันเดียวกันคิดว่าผู้รู้ผู้คิดผู้สั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆนี่เป็นคนเดียวกับร่างกาย พอร่างกายตายไปแล้วก็จบตายแล้วศูนย์เขาเรียกว่าตายแล้วไม่มีการไปเกิดใหม่แต่ความจริงมันไม่ใช่อย่างนั้นพระพุทธเจ้าได้ทรงพิสูจน์แล้วว่าตายแล้วไม่จบตายแล้วไม่ศูนย์ตายเฉพาะร่างกายใจนี้ไม่ตายไปกับร่างกายใจนี้แหละที่ไปเกิดใหม่ ใจนี่แหละที่พาให้เรามาเกิดมามีร่างกายร่างนี้อยู่เนี่ยร่างกายที่เรามีอยู่ร่างนี้ไม่ใช่เป็นร่างเดียวที่เราเคยมีเราเคยมีร่างกายแบบนี้มาไม่รู้กี่แสนร่างกายแล้วเราไม่รู้ว่าเรามาเกิดแก่เจ็บตายไม่รู้กี่แสนล้านครั้งนะเพราะว่าเราไม่เคยสนใจที่จะศึกษาค้นคว้าดูเกี่ยวกับตัวเรานั่นเอง เรามัวแต่วุ่นวายอยู่กับการหาราบยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายมาวุ่นวายกับการนำลงชีพมาเลี้ยงชีพหาปัจจัยสี่เวลาที่จะมาศึกษาเรื่องความจริงของเรายังไม่มีกันมีแต่พวกนักบวชนี่เท่านั้นแหะที่เขามีเวลาที่เขาจะมาศึกษาค้นคว้าหาความจริงว่า อะไรเป็นอะไรกันแน่พวกนักบวชนี่เขาค้นพบว่าร่างกายกับจิตใจนี้เป็นคนละคนกันเขาคนพบว่าจิตใจนี้เป็นผู้ที่มาเกาะติดกับร่างกายเวลาที่ร่างกายนี้เริ่มก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาในท้องแม่เวลามีการผสมพันธุ์พอมีธาตุของพ่อกับธาตุของแม่มารวมกัน ก็เริ่มก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาพอเป็นร่างกายขึ้นมาก็มีดวงวิญญาณก็คือจิตใจนี่แหละผู้รู้ผู้คิดที่มาเกาะติดกับร่างกายนี่แล้วก็เหมือนกับคนขี่ม้าเนี่ยพอคนเห็นมา้าอยากจะขี่ม้าก็ขึ้นไปขี่มา้าพอเจอตัวม้าก็ขึ้นไปขี่มา้าดวงจิตดวงใจที่อยากจะมีร่างกาย พอเจอร่างกายก็ขึ้นไปขี่ร่างกายเลยไปควบร่างกายไปอยู่คู่กับร่างกายเป็นฝาแฝดกันไปเลยใอ้ mm hmm. เวลาเกิดออกมานี่ไม่ได้เกิดเพียงร่างกายนะมีจิตใจติดออกมาด้วยเ mm hmm. นี่ยนี่แหละคือตัวเรากับร่างกายเป็นตัวละคนกัน mm hmm. เราเป็นจิตเป็นใจผู้เป็นนายของร่างกายเป็นผู้สั่งให้ร่างกายทาอะไรต่างๆตามความอยากของเรา ร่างกายจึงพาเราไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายพาเราไปหาลาบยศสรรเสริญกันขณะที่เราได้สิ่งเหล่านี้เราก็เพลิดเพลินมีความสุขกันช่วงชีวิตที่เรายังเป็นหนุ่มเป็นสาวมีกำลังวังชามีความสามารถที่จะหาลาบยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายก็เป็นช่วงที่เรามีความสุขกัน แต่ในขณะเดียวกันก็มักจะเจอความทุกข์สลับกันไปด้วยเพราสิ่งที่เราหามาได้บางทีมันก็มันก็จากเราไปพ อ, อมันจากไปมันก็ทำให้เราเสียใจไม่สบายใจแต่เราก็ทนกับมันไปมันไปเราก็หาใหม่ได้ของมาแล้วของนี้หายไปเสียใจอยู่สักพักหนึ่งพอมีเงินก็ไปซื้อใหม่พอได้ใหม่ก็ดีใจใหม่ ก็จะสลับกันไปแบบนี้สุขบ้างทุกบ้างไปพอมาถึงบ้านปลายของชีวิตนี่มันจะสุขมันจะน้อยลงไปแล้วทุกมันจะมากขึ้นพอพอร่างกายแก่ร่างกายเจ็บนี่มันไม่มีกำลังวังชาไม่มีความสามารถเหมือนตอนที่เป็นหนุ่มเป็นสาวที่จะไปหาความสุขอะไรต่างๆเหมือนตอนนั้น อันนั้นก็จะมีความซึมเศร้ามากขึ้นความเหงามากขึ้นความว้าเหวมากขึ้นเพราะจะต้องถูกปล่อยทิ้งไม่อยู่ในบ้านคนเดียวคนหนุม่มคนสาวเขาก็ต้องออกไปทำงานทำการไปเที่ยวไปหาความสุขของเขาเจ้าคนแก่ติดไปด้วยมันก็เกะกะโลกลุงนังก็เลยปล่อยให้คนแก่อยู่บ้านไปในบ้านปลายของชีวิตความทุกข์ก็จะมากขึ้นไปตามลาดับ จนถึงวันตายพอถึงตายก็ความทุกข์ก็เต็มที่แต่ก็ไม่เข็ดพอตายแล้วก็ลืมพอใจที่ทิ้งร่างกายไปก็ไปหาร่างกายอันใหม่ต่อไปพอได้ร่างกายอันใหม่ก็มาทำแบบเดิมเนี่าถึกบอกว่าร่างกายที่เรามีขณะนี้เราไม่รู้ว่าเป็นร่างกายที่กี่แสนล้านร่างกายแล้ว เราเกิดแก่เจ็บตายเปลี่ยนร่างกายมาอย่างโชคโชนและเราก็จะทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดถ้าเราไม่ได้มาพบกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาที่จะบอกให้เรารู้ว่าเรากำลังทำอะไรกันอยู่ตอนนี้เรากำลังเวียนว่ายตายเกิดกันอยู่ถ้าเราหาลาบยศสรรเสริญ หาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกันอยู่อันนี้เรียกว่าเรากำลังกาลังไปเวียนว่ายตายเกิดกันตายแล้วเดี๋ยวก็จะไปเกิดไปเกิดแล้วก็ต้องไปตายใหม่ตายแล้วก็ต้องไปเกิดใหม่จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆถ้าเราเบื่อกับการเกิดแก่เจ็บตายเราก็ต้องไปอีกทางหนึ่งทางที่พระ เ, เจ้าและพระสาวกท่านไปกัน ก็คือทางสู่การไปสู่การภาวนานั่นเองไปสูส่ศีลถ้ามีเงินทองก็ต้องตัดมันไปสละมันไปถ้ายังติดเงินติดทองอยู่มันก็จะไปไม่ได้คนที่จะไปบวชได้คนที่จะไปภาวนาไปรักษาศีลได้จำเป็นจะต้องสละสมบัติเข้าของเงินทองสมบัติเข้าของเงินทองนี้เปรียบเหมือนกับสมอเรือ เรือนี่ถ้าจะวิ่งจะให้มันไปล่นออกไปไหนมาไหนนี่มันจะต้องถอนสมอก่อนถ้ามันไม่ถอนสมอเรือมันก็จอดอยู่กับที่แล้วไปไม่ได้สมอมันจะดึงเรือไว้ไม่ให้ไปให็นเวลาที่เขาจะให้เรือออกไปไหนมาไหนนี่เขาจะต้องถอนสมอกันฉันใดถ้าอยากจะให้ใจไปออกจากการเวียนว่ายตายเกิดก็ต้องสละสมบัติเข้าของเงินทอง ถ้ายัางติดยังลักยังหวง ส, สมบัติยังเสียดายสมบัติยังยึดติดอยู่กับสมบัติข้าวของเงินทองอยังหาข้าวของเงินทองอยังใช้เข้าของเงินทองอยู่มันก็จะไม่มีเวลาไปบวชนั่นเองไม่มีเวลาไปอยู่วัดไม่มีเวลาไปรักษาศีลไม่มีเวลาไปภาวนานั่นเองเฉะนั้นคนที่อยากจะออกบวชคนที่อยากจะออกจากการเวียนว่ายตายเกิด ก็จำเป็นจะต้องสละทรัพสมบัติข้าวของเงินทองไปอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยพระพุทธเจ้าอยากจะออกจากการเวียนว่ายตายเกิดก็เลยต้องสละละเสมบัติเพราะถ้าอยู่ในวังก็ไม่มีวันที่จะรักษาศีลภาวนาได้นั่นเองเพราะในวังไม่มีใครสอนให้รักษาศีลไม่มีใครสอนให้ภาวนาในวังมีแต่การหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย มีงานเลี้ยงทุกคืนทุกวันนะมีอะไรให้ดูให้ฟังตลอดเวลางั้นพระพุทธเจ้าก็เลยต้องทําทานด้วยการสละราจะสมบัติไม่เอาสมบัติติดตัวไปแม้แต่ชิ้นเดียวนอกจากเสื้อผ้าที่สวมใส่ติดตัวไปเท่านั้นเวลาออกบวชแล้วไประหว่างทางก็ไปเจอขอทานขอทานเห็นเสื้อผ้าขอที่พุทธเจ้าใส่ สวยงามก็อยากได้ก็ขอเปลี่ยนพระพุทธเจ้าก็ยินดีเปลี่ยนเสื้อผ้าที่พองสวมใส่ในขณะที่ออกจา ก, กวังให้ขอทานไปแล้วท่านกาวเสื้อผ้าขอทานมาใส่แทนนั่นแหละคือลักษณะของผู้ที่ปรารถนาการที่จะออกจากการเวียนว่ายตายเกิดต้องไม่ยึดไม่ติดกับทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทอง ไม่ให้มีอะไรติดเนื้อติดตัวไปเป็นภาระเปล่าๆเพราะไม่เป็นประโยชน์มีแต่โทษต้องไปแบบนักบวชใบตายด่าหน้าหากินไปตามมีตามเกิดกต้องการอะไรก็ไปหามันต้องการปัจจัยสี่ก็หามันอาหารก็บินทบาทเสื้อผ้าก็ไปเก็บผ้าที่เขาห่อศพทิ้งไว้ในป่าชา้า ที่อยู่อาศัยก็อยู่ตามโคนไม้อยู่ตามร่มไม้หรือไม่เช่นนั้นก็อาจจะทำเพิงเอากิ่งไม้ใบไม้มาทำเพิงกันแดดกันฝนหรืออยู่ตามเงื่อมผาอยู่ตามถ้ำอยู่ตามเรือนร้างนี่แหละคือที่อยู่ของผู้ที่อยากจะออกจากการเวียนว่ายตายเกิดท่านอยู่กันแบบนี้ท่านจะได้มีเวลา ภาวานาได้อย่างเต็มที่รักษาศีลได้อย่างง่ายดายถ้าไปอยู่ในปา่าในเขาอยู่คนเดียวอยู่ที่ห่างไกลจากแสงสีเสียงจากรูปเสียงกลิ่นโน้นมันก็ไม่มีอะไรมายั่วยวนกวนใจอยู่ในปา่าไม่มีใครกินข้าวเย็นถ้าอยู่ที่บ้านเดี๋ยวก็มีคนกินข้าวเย็นพอเราจะถือศีลแปลกก็เดี๋ยวก็ตะบะแตกได้กินอาหารโชยเข้ามา แล้วดีไม่ดีเขามาขยันเขย่ามาชวนให้กินเดี๋ยวก็ใจอ่อนกินเพื่อเขาบอกความจริงก็กินเพื่อเรานั่นแหละแต่ก็อ้างว่ากินเพื่อเขาเอาเกงใจเขาเขามาขอร้องให้กินเขากลัวเราจะอดตายความจริงเราไม่ตายหรอกอดข้าวมื้อเดียวไม่ตายหรอกแต่เขาไม่รู้เราก็ไม่รู้เมื่อเขามาชวนเราก็เลยใจอ่อนไปกับเขา แต่ถ้าไปอยู่ตามป่าตามเขาไปอยู่ตามวัดที่มีการปฏิบัติจะไม่มีข้าวเย็นกินกันก็จะไม่มีใครมาชวนมายั่วยวนกวนใจเราใจเราก็เลยไม่หิวไปกับอาหารที่มันหิวเพราะมันคิดถึงมันมันเห็นพอมันเห็นหรือมันคิดถึงมันได้กลิ่นมันมันก็เลยหิวขึ้นมาถ้าไม่ได้เห็นมันไม่ได้กลิ่นมันมันไม่หิวหรอกนพวกที่นักบวชพวกที่ต้องการที่จะไป ทำใจให้สงบเลยต้องไปอยู่ห่างไกลจากสิ่งที่ยุ่ยยวนกวนใจต่างๆเพราะมันจะทําให้ใจไม่สงบนั่นเอง<ม>อันนี้ก็เป็นเรื่องของการที่จะออกสู่การเวียนว่ายตายเกิด<ม>จําเป็นที่จะต้องสละทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองสละความสุขแบบผู้คลองเรือนไปเพราะความสุข ทรับสมบัตินี้มันเป็นเหมือนสมอเรือที่จะถ่วงเรือไม่ให้เรือได้แล่นไปไหนมาไหนได้ลอยไปไหนมาไหนได้ถ้าอยากจะให้เรือลอยไปก็ต้องถอนสมอถ้าอยากจะให้จิตออกจากกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดก็ต้องละเพศของคารวะไปละการำดำรงชีพแบบคารวะแล้วก็ไปอยู่แบบนักบวช เพื่อจะได้รักษาศีลได้ภาวนาอย่างเต็มที่นั่นเองนี่คือคำว่าทานทานก็คือให้สละไปให้หมดทรัพสมบัติเข้าของเงินทองครอบครัวบุตรธิดาภรรยาหรือสามีแล้วก็ไปอยู่คนเดียวจะได้เป็นอิสระเป็นเหมือนเรือที่ได้ถอนสมอจะได้ไปไหนมาไหนได้อย่างค่องแคล่วว่องไวนั้น <And S 2> พอ พอสละทรัพย์สมบัติแล้วสละอะไรแล้วก็มีเวลาว่างไม่ต้องไปทํางานแล้วลาออกจากงานได้ทีนี้ก็ไปเลยอยากจะรักษาศีลก็รักษาได้เต็มที่อยากภาวนานั่งสมาธิเดินจงกรมทั้งวันทั้งคืนก็ทําได้เต็มที่พอได้ภาวนาจริงๆเดินจงกรมนั่งสมาธิจริงๆเดี๋ยวใจก็เข้าสู่ความสงบเข้าสู่ความสุข ที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงก็จะสามารถหยุดความอยากต่างๆที่จะคอยดึงใจให้กลับไปหาความสุขแบบเก่าความสุขที่เคยได้จากการอยู่เป็นผู้คลองเรือนมันยังไม่ได้ตายจากการไปบวชจากการทำทานมันจะตายก็ต่อเมื่อเราใช้การภาวนาใช้ปัญญาภาวนาก็คือทำใจให้สงบ ให้สร้างความสุขขึ้นมาในใจเพื่อที่จะได้ทดแทนการหาความสุขภายนอกใจพอเกิดความอยากที่อยากจะไปหาความสุขภายนอกใจก็สอนใจว่าความสุขภายในใจนี่ดีกว่านะความสุขภายในใจนี่เป็นของเราอยู่กับเราไปตลอดความสุขอยู่ภายนอกใจนี้ต้องไปหาหาแล้วก็ไม่ได้อยู่กับเราไปตลอดเดี๋ยวไม่ช้าก็เร็วก็ต้องจากเราไปอยู่ดี นี่คือปัญญาสอนให้เห็นความความแตกต่างระหว่างความความสุขสองรูปแบบความสุขที่เกิดจากความสงบกับความสุขที่เกิดจากการทำตามความอยากต่างๆว่ามันอย่างไหนดีกว่ากันความสุขที่เกิดจากความสงบนี้เป็นเป็นความสุขที่ถาวรเป็นความสุขที่ไม่มีวันเสื่อมไม่มีวันหมดจะไม่มีความทุกข์ตามมาเป็นความสุขเป็นของเป็นของเราไปตลอด แต่ความสุขที่ได้จากการไปทำตามความอยากจากสิ่งต่างๆเป็นความสุขชั่วคราวเป็นความสุขที่มีวันหมดพอวันหมดก็มีความทุกข์ตามมาเป็นความสุขที่ไม่ใช่เป็นของเราไปตลอดวันดีคนดีมันก็จากเราไปอันนี้ต้องใช้ปัญญาสอนใจให้เห็นความแตกต่างระหว่างความสุขสองรูปแบบความสุขที่ได้จากความสงบที่ได้จากสมาธิ กับความสุขที่ได้จากการไปมีอะไรต่างๆว่าอย่างไหนดีกว่ากันถ้าใช้ปัญญาพิจารณาเปรียบเทียบก็จะเห็นว่าความสุขที่เกิดจากความสงบนี้ดีที่สุดก็จะหยุดความอยากที่จะไปหาความสุขในรูปแบบต่างๆต่ตตอไปได้เมื่อไม่มีความอยากต่อไปก็ไม่มีอะไรมาลอบกวนใจใจก็จะมีความสงบมีความสุขไปตลอด โดยที่ไม่ต้องเข้าไปในสมาธิก็ได้ถ้าไม่มีความอยากแล้วใจจะอิ่มจะสุขขึ้นมาทันทีพอมีความอยากใจก็จะหิวจะอยากขึ้นมาทันทีจะทุกข์ขึ้นมาทันทีแต่ถ้าไม่มีความอยากแล้วใจก็จะไม่มีวันทุกข์ไม่มีวันหิวอีกต่อไปใจก็จะมีแต่ความอิ่มไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุดนี่เรียกว่นนานิพพานใจที่อิ่มใจที่ปราศจากความหิว ใจที่ได้กำจัดความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจด้วยปัญญาและด้วยสมาธิ น, นี่คือทางสู่การออกจากการเวียนว่ายตายเกิดคือการทําทานการรักษาศีลการภาวนาถ้าเรายังหาเงินใช้เงินอยู่แล้วก็หยุดหาเงินใช้เงินได้แล้วเราก็จะได้มีเวลาไปรักษาศีลไปภาวนาเพื่อสร้างความสุข อันที่ดีกว่าคือความสุขที่เกิดจากความสงบแล้วเราจะได้ใช้ปัญญาสอนใจให้เลิกความอยากต่างๆให้มันหมดไปจากใจเราก็จะได้ไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายต่อไปแต่เราตอนนี้ต้องคอยถามตัวเราอยู่เรื่อยๆว่าตอนนี้เรากาลังทาอะไรอยู่กาลังขึ้นรถขบวนไหนกำลังขึ้นรถ ข, ข, ขบวนที่พาเราไปเวียนว่ายตายเกิด หรือกาลังขึ้นลดขบวนที่จะพาเราออกจากการเวียนว่ายตายเกิดถ้าเราทําทานรักษาศีลภาวนาก็แสดงว่าเรากําลังออกจากการเวียนว่ายตายเกิดถ้าเรายัางไปหาลาภยศสราเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกเิ่นกายอยู่เราก็ยังกําลังไปเวียนว่ายตายเกิดอยู่ให้ถามอยู่เรื่อยๆเราจะได้ดูว่าเราขึ้นน็ขบวนถูกหรือไม่ถ้ามันผิดเราก็จะได้เปลี่ยน แล้วเราก็จะได้ไปถึงจุดหมายปลายทางที่เราอยากจะไปกันการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พรยะถาวาริวหาปุราปาริปุเรนติสาคลังเอวเมวะอิตโตทินังเปตานาังอุ ป, ปกาปติ อิติตังปะทิตังตุ მ หังคิปะเมวะสะมิติโตสะเพปุเรนโตสังกปาจันโทปนะระโสยถามณิโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวจันโตสัพพะโรโควินัสโต มาเตภววตวันตราโยสุขีทีขาโยโกภาวะอภิวะธนสีริสะนิจังวุฒาปจายโนจตารุธรรมวัานติอายุวโนสุขังภาลั ลำดับต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมใครมีคำถามเจนถามได้ในช่วงนี้ถ้าอยากจะถามเองก็ขึ้นมาที่ศาลามีไมโครโฟนให้พูดถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาเราจะถามจนกว่าจะเลิกประชมุมหลังจากนั้นก็จะงดถามตอบ ไม่มีคำถามหลังใหม่อตอนนี้วันนี้เข้ามาเท่าไหร่วันนี้ระบบมีปัญหาทั้งสามช่องทางครับอาจารย์ <c oughs> ตอนนี้จับตอนนี้จับสัญญาณได้ก็เฟซบุ o กสองร้อยแปดสิบห้าคนครับยู u ูบเจ็ดสิบห้าคนเรดิโอสามสิบสามคนผู้รับฟังบนเขาเจ็ดสิบคนรวมทั้งหมดสี่ร้อยหกสิบสามคนครับตอนนี้เฟซน่าจะเลื่อนแล้วครับอาจารย์ เหลือวิทยุกับกับ u ูทูครับเฟซก็หายไปตอนนี้เป็นแต่ตอนนี้เฟซจับสัญญาณได้แล้วครับอ๋อครับผมมันเป็นเพราะอะไรสัญญาณสัญญาณครับสัญญาณใช่ครับวันนี้ก็ขอให้ท่านที่ติดตามทางบ้านก็เข้าใจว่ามีอุปสรรคบนเขานี่ฟ้าผ่าเปี่งเปี่งฝนตกลมแรงก็เลยทำให้เรื่องของการส่งสัญญาณรับสัญญาณนี้ไม่ค่อย สะดวกก็มีขาดขารหายหายไปก็ขอให้ถือว่าเป็นเรื่องของอนิจจังก็แล้วกันในโลกนี้มันก็เป็นอย่างนี้แหละถ้าเราเป็นนักปฏิบัติเราก็จะถือเป็นเรื่องธรรมดาบางวันก็คล่องแค่ว่องไวสะดวกบางวันก็ติดขัดบางวันก็ขาดหายอันนี้ขอให้เราใช้ปัญญาแล้วเราจะมีความรู้สึกสบาย ว่ามันเป็นอย่างนี้แหละจะให้มันดีไปทุกวันได้ยังไงฝนมันยังต้องมีฟ้าผ่าบ้างมีฝนตกบ้างตอนนี้มีใครส่งคำถามเข้ามาบ้างหรือยังมีก็ลองถามได้เลยคำถามจากทางเฟ e บุ๊ k ค่ะจากผู้ประสงค์ไม่ออกนามกาบเรียนสอบถามพระอาจารย์เจ้าค่ะและขออภัย หากคำถามนี้เป็นการกล่าวล่วงเกินพ่อแม่ครูบาอาจารย์ค่ะดิฉันได้ไปทำบุญที่หน่งเตรียมกับข้าวกับปลาด้วยความตั้งใจและมีความปิติเต็มร้อยในการเตรียมของไปใส่บาตรแต่เมื่อไปทำบุญดิฉันไม่เห็นพระท่านฉันอาหารที่ข้าพระเจ้าที่เตรียมไปแต่ไปฉันอีกอันหนึ่งทำให้ดิฉันอดน้อยใจไม่ได้จะแก้ความรู้สึกอันนี้อย่างใรดีคะ ให้เกิดความสบายใจขึ้นเจ้าค่ะไม่มันก็พูดยากเกิ ค, คนให้นี่ไม่ควรที่จะไปยึดติดกับของที่เราให้เราให้แล้วเขาจะเอาไปใช้หรือไม่ใช้ก็เรื่องของคนรับเรามีหน้าที่ก็ให้ไปอย่าไปสนใจกับคนรับถ้าเราสนใจกับคนรับเราก็ต้องไปให้คนที่เขาอยากจะได้ของของเรา เช่นขอทานนี่เขาไม่มีข้าวกินลองไปให้เขาดูเขาอาจจะเห็นข้าวเราแล้วกินหมดเลยเฉะนั้นมันบางทีพระท่านก็มีคนให้ของมาเยอะมามากท่านก็ยังมีกิเลสตัณหาอยู่บ้างท่านก็อาจจะเลือกกินของที่ท่านชอบก็ได้ของที่เราให้ท่านอาจจะไม่ชอบก็ได้ อย่าไปหวังอะไรมากถ้าอยากให้เขากินของเราเราต้องไปหาที่ไม่มีคนอื่นให้มีของของเราคนเดียวเอาไปวัดไหนที่ไม่มีคนไปทำบุญมีคนเราไปทำบุญคนเดียวเดี๋ยวเราให้ท่านก็กินหมดเลยนี่มันเรื่องการทำบุญนี้อย่าไปสนใจกับผู้รับมากเกินไปเกินรู้ว่าควรจะให้เขาก็ให้เขาไป ส่วนเขาจะเอาไปใช้หรือไม่เอาไปทำอะไรหรือไม่นี่เป็นเรื่องของเขาเรื่องของเราคือเราต้องการเสียสละแบ่งปันคลายความตนีคลายความขี้เหนียวอะไรต่างๆเราให้ไปแล้วเรามีความสุขใจเราอย่าไปติดตามขอให้คิดว่าไม่ได้เป็นของเราแล้วของที่เราให้นี้เป็นของเขาแล้วเขาจะไปทำอย่างไรก็แล้วแต่เขา ถ้าเรารู้ว่าเขาไปเททิ้งวันหลังเราก็อย่าไปให้เขาก็แล้วกันเอาไปให้คนที่เขาอยากได้คนที่เขาไม่อยากได้ก็อย่าไปให้เขาคาถามจากผู้ประสงค์ไม่ออกนามค่ะกาบเรียนสอบถามพระอาจารย์เจ้าค่ะจำนวนสินที่ถือนั้นมีผลต่อการบรรลุธรรมหรือไม่เจ้าคะมีเพราะว่าสินมันเป็นการตรวจ เป็นตัวที่จะกำจัดอุปสรรคที่เกิดจากการทําผิดศีลนั่นเองถ้าเราไปทำผิดศีลมันก็เหมือนกับเราไปสร้างกาแพงกั้นทางเดินไว้เพราะเมื่อไปทําผิดศีลมันก็ต้องไปมีเรื่องมีราวกับคนนั้นคนนี้เดี๋ยวก็ต้องไปติดคุกติดตารางไปขึ้นรศาลไปอะไรเวลาจะไปภาวนาก็ไปไม่ได้ใจก็จะวุ่นวายกับเรื่องแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดจากการทาบาปของเรา ถ้าเราไม่ทำบาปมันก็จะไม่มีปัญหาต่างๆตามมาก็แล้วก็จะมีเวลาไปภาวนาได้ไปปฏิบัติธรรมไดอ้อย่งนั้นรักษาศีล น, นี้เป็นสิ่งที่จำเป็นเพืาอจะเปิดทางให้เราได้ไปปฏิบัตินั่นเองถ้าเราไม่รักษาศีลก็เหมือนกับเราไม่เคลียร์ถนนน่ะถนนที่เราจะวิ่งรถอาจจะมีมีซากปลาหักบักพังมีรถเก่ารถเสียจอดเกะกวาขวางทางไว้อยู่ แต่ไม่การจราจรไม่สะดวกถ้าอยากจะให้ถนนจราจรจ ะ, ะ, จจะสัญจรไปมาอย่างสะดวกรวดเร็วเราก็ต้องเคลียร์ถนนอน อ, อกการเดินทางของเราไปสู่พระนิพพานก็เหมือนกันเราต้องใช้ศีลเป็นตัวคอยเคลียร์พวกสละพวกของเกะกะที่จอดเกะกะขวางทางถนนคือการทําบาปต่างๆนี่ มันจะทำให้เราไปมีปัญหามีอมีเรื่องมีราวกับคนนั่นคนนี้มันจะทำให้เราต้องไปแก้ปัญหาเลยไม่มีเวลาที่จะไปปฏิบัติคำถามจากทาง YouTube ค่ะจากคุณวนิดาพระอาจารย์เจ้าคะคนโกงที่วัดรู้ว่าเขาต้องรับกรรมแต่จิตเรายังไม่วางยังโกรธเขาไม่ยอมวาง ขอพระอาจารย์แนะนำด้วยเจ้าค่ะอ๋อก็พยายามทำใจให้สงบนะทั้งจะงวางได้จะพยายามพุโทโธพุโทโธอย่าไปคิดถึงเขาอย่าไปคิดถึงการโกงของเขาพุโทโธพุโทโธไปทำใจให้สงบพอใจสงบแล้วเราก็จะวางเราก็จะไม่สนใจใครจะทำอะไรก็เรื่องของเขา mm hmm. หมดแล้ว mm hmm. แหออ ใจเราไปยึดไปติดกับเรื่องนั้นเรื่องนี้เราต้องดึงมันออกมาด้วยพุทโธให้มันหยุดคิดอย่าไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้คนนั้นคนนี้ถ้าเราโกรธคนนี้เขาด่าเราเมื่อเช้านี้ตอนเย็นนี้เราก็ยังโกรธเขาอยู่ถ้าเราไปคิดถึงเขาแต่ถ้าเราไม่คิดถึงเขาแล้วลืมแล้วมันก็เราก็จะไม่โกรธเหมือนกับเหตุการณ์ต่างๆที่ผ่านมาตอนนี้เราลืมไปหมดแล้วเราก็เลยไม่มีอารมณ์กับเหตุการณ์เหล่านั้น แต่ถ้าเราไปคิดถึงมันขึ้นมามันก็อาจจะทำให้เราโกรธขึ้นมาใหม่ได้งั้นความโกรธของเราเรือความมีปัญหากับคนนั่นคนนี้เกิดจากการที่เราไปคิดถึงเขานั่นเองคิดไปถึงเรื่องที่ทำให้เราโกรธคิดไปถึงเรื่องปัญหาต่างๆหยุดคิดซะบ้างใช้พุโทโธพุโทโธดึงใจออกมาจากเหตุการณ์เหล่านั้นแล้วใจก็จะลืมลืมแล้วก็ไม่สนใจใครจะโกงกรื่องของเขา ยิ่งท้าเรารู้ด้วยปัญญาว่าเดี๋ยวเขาก็ต้องเราไปรับผลกรรมของเขาเราก็ยิ่งไม่ไม่ไปกังวลไม่ไปวุ่นวายกับเขาอย่าตอนนี้เราไม่ยอมปล่อยเราไม่ยอมหยุดคิดถึงเรื่องนี้เราต้องใช้พุทธโธพุทธโธหยุดเงินพุทธโธก็ได้ใช้สวดมนต์อิติปิโสไปสักน้อยจบก็ได้หรือพอมันจะคิดปั๊บก็พุทธโธไปสวดไปพอมันหยุดคิดเราก็ไม่ต้องคิดเราก็ไม่ต้องสวดไม่ต้องพุทธโธ พอมันคิดใหม่แล้วก็สวดใหม่เหมือนรถน่ะถ้าเราต้องการให้มันหยุดเราก็ต้องเหยียบเบรกถ้ามันยังวิ่งอยู่เราก็ต้องเหยียบเบรกไปเรื่อยๆพอมันหยุดแล้วเราก็ถอนเบรกปล่อยเบรกได้พอปล่อยเบรกแล้วเดี๋ยวมันไปวิ่งต่อแล้วก็เหยียบเบรกใหม่ทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆเห่อไปเราก็จะควบคุมความคิดได้หยุดความคิดได้อยากจะมีคําถามหรือเปล่าไม่มีนะยังไม่มี เดี๋ยวเอาไมโครโฟนไปหน่อยขออภัยด้วยทีจะถามต้องให้คนอื่นได้ยินคำถามทางบ้านก็จะได้ยินาจาย์งจ<ะ>ยังไม่เปิดไหมกรบเรียนพระอาจารย์าารยครับผมอยากถามว่าเออเดืม่มโซลานี้มันบาปเยอะไหมครับคือมันไม่บาปหรอกแต่มันเป็นอุปสรรคขวางการทำความดีต่างๆยินเหล้าแล้วมันเมา แล้วมันจะโอกาสที่จะทําเหตุการณ์ที่เสียหายมันมีมากกว่าคนที่ไม่เดือมโซลาเดือมโซลาเมาแล้วไปขับรถเดี๋ยวก็เกิดอุบัติเหตุได้ออมันเป็นมันเป็นตัวที่จะพาให้ไปสู่การทําความเสียหายต่างๆได้ทําให้เรากลายเป็นคนไม่ดีไปคนเมาเขาไม่มีใครอยากจะเข้าใกล้ใช่หไหมเพราะว่าอารวาสพูดจาหยาบคายอะไรต่างๆเหล่านี้ มันไม่บาปหนักเหมือนกับการไปลักทรัพย์ขโมยหรืออะไรแต่มันจะทําให้การทําบาปง่ายขึ้นคนเมามันจะไม่มีความยางอายไม่มีสติสตังที่จะยับยั้งการกระทําบาปเหมือนกับคนที่ไม่เมาครับอาจารย์แต่ผมถึงคนที่ดื่มประจําครับแต่ก็ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่มีอุปนิสัยที่เป็นแบแบแปะนั้นเนี่คือ มม ถ, ถ้าเดิมแล้วเมาถ้าเดิมแล้วนอนก็ไม่มีปัญหาอะไรเป็นกินถือว่าป็นกินยานอนหลับไปก็แล้วกัน <ผม S 2> แต่มันจะผมก็จะเป็นทำนองนั้นครับแต่มันก็จะเสียตรงที่ร่างกายสุขภาพครับสุขภาพร่างกายะจะเป็นโรคภัยเจ็บไข้ได้ป่วยได้ง่ายกว่าคน อ, อื่นยังมีโทษทางร่างกายแล้วก็เสียเงินซื้อยาพิษมากินพูดง่ายๆแล้ว ถ้ากินมากเกินไปเมานอนหลับบางทีตอนเช้าก็ไม่อยากไปทํางานอก็จะเสียงานเสียการได้มันก็มีแต่ส่วนเสียมากกว่าส่วนได้อยังไม่เข้ามานะต อ, ะอสัญญาไม่มีนะสัญญามันไม่เข้าไม่เป็นไรเราก็นั่งเฉยๆไปก่อนตอนนี้ก็พุโทโธพุโทโธทําใจให้สงบ หรือถ้าอยากจะกลับบ้านก็เลิกประชุมกันก็ได้สัญญาณไม่มีเลยนะเลยตัวตัวสัญญาณมีนะแต่ว่าดัต a ไม่สมเลยของจะเป็นหลายจุดนะเพราะว่ามันฟ้าผ่าภ้าอะไรต่างๆเพราะนี่มันเป็นระบบเซลลูลาต้องใช้สถานีถ่ายทอดหลายจุดด้วยกันในแต่ละจุดอาจจะมีอุปสรรค อาเชิญตามสบา ย, ยก็ดีเหมือนกันคิว่าวันนี้เราอาจจะได้เลิกเร็วหน่อยอเดี๋ยวนั่งรอสักสักสองสามนาทีดูว่ามีมีใครอยากจะถามหรือมีใครอยากจะส่งข้อความเข้ามาถ้าไม่มีเดี๋ยวก็คิดว่าก็วันนี้หยุดเร็วหน่อยกค่แล้วกันมีคําถามเข้ามาจากทางเฟซบุ๊กค่ะ กับนมัส ก, การค่ะถ้าอารมณ์เร็วเกินไปห้ามไม่ทันเผลอแสดงอาการไม่ไดีออกมาต้องแกอย่างไงคะก็ต้องฝึกสติฝึกสติคอยควบคุมใจอย่าปล่อยให้มันออกมาแบบไม่มีอะไรคอยกํากับต้องมีสติจะพูดอะไรต้องมีสติคอยกากับมันต่อไปมันก็จะควบคุมการพูดการกระทาอะไรต่างๆได้ เปพุทโทรพุดโทรไปเรื่อยๆกันคำถามต่อไปค่ะกาบเรียนถามเจ้าค่ะทุกเช้าตื่นมาทุกเช้าตื่นขึ้นมาการสวดมนต์ก่อนภาวนามีผลดีกว่าตื่นมาแล้วภาวนาเลยหรือหรือไม่จาเป็นเจ้าคะก็แล้วแต่บางคนตื่นขึ้นมาแล้วถ้านั่งภาวนาอาจจะหลับเลยก็เลยอาจจะสวดมนต์ไปก่อนก็ได้ สวดมนเพื่อให้เกิดสติให้มันเติ่นขึ้นมาเราค่อยไปนั่งต่อแต่บางคนนั่งได้เลยก็นั่งไปเลยก็ได้ได้ทั้งสองอย่างแล้วแต่กรณีแล้วแต่ว่าอันไหนจะเหมาะสมกับกับบุคคลถ้านั่งได้ก็นั่งเลยถ้านั่งแล้วจะหลับก็สวดมนไปก่อนก็ได้เพื่อปลุกให้มันเติ่นขึ้นมาก่อนแล้วค่อยนั่งต่อคำถามต่อไปค่ะจากคุณปนอม ต่อเนื่องจากคําถามเรื่องจํานวนสินค่ะถ้าเราอยู่ในฐานะคารวาสที่จํานวนศินที่ถือมีแปดข้อโอกาสบรรลุธรรมจะยากกว่าเนนและพระสงฆ์ใช่หรือไม่คะอ๋อไม่หรอกศินแปดนี่มันก็พอๆกับศินของพระของของของเนนเพราะศินที่มากๆนี่มันไม่มันไ ม, ม, นไม่มันเป็นเรื่องของระเบียบมากกว่า เป็นเรื่องของการาประพฤติให้สวยงามเช่นเป็นพระนี่ยืนปัดสวะไม่ได้อย่างนี้ต้องนั่งปัดสว ะ, ะกินอาหารก็ต้องนั่งกินจะเดินกินเหมือนญาติโยมไม่ได้มันไม่สวยงามแต่มันไม่ผิดศีลมันไม่ไปทําบาปมันไม่ไปทําให้เกิดมีปัญหากับใครดังนั้นถือศีลปดนี่ก็บรรลุได้เหมือนกับถือศีลสิบหรือศีลสองอยี่บยิบเจ็ด มันอยู่ที่มันอยู่ที่การปฏิบัติมากกว่าปฏิบัติศีลสมาหยุดปันปฏิบัติสมาธิกับปัญญามากกว่าศีาลห้าศีล8ศีล10ศีล2 2งร้อหรือศีลของเพกษซนีนี่คล้ายๆกันทำหน้าที่ของศีลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติสมาธิาสมาธิและปัญญาได้เหมือนกันงั้นอยู่ที่การปฏิบัติสมาธิกับปัญญาว่ามากหรือน้อย มากกว่าเพราะว่าคนที่มาบวชเป็นพระแต่ไม่ได้นั่งสมาธิก็สู้คนที่ถือศีลแปดแล้วนั่งสมาธิไม่ได้พระที่มาบวชนี่บางทีไม่ได้มานั่งสมาธิไม่ได้มามาเจริญปัญญากันมัวแต่ไปสวดให้ญาติโยมฟังมัวแต่ไปรับกินนิมนต์เดี๋ยวญาติโยมก็นิมนต์ไปสวดจบบ้างสวดงานวันเกิดบ้างสวดวันขึ้นบ้านใหม่บ้างเลยไม่มีเวลาไปนั่งสมาธิ ญาติโยมนี่กับมนเวลามากกว่าถือศินแปดอยู่บ้านแต่ก็ไปนั่งสมาธิได้ไปเจริญปัญญาไปฟังเทศฟังธรรมได้เพราะฉะนั้นศินแปดก็ใช้ได้ศิลสิบสิสอง้อยี่2 2บเจ็ดนี่ใกล้เคียงกันคำถามจากคุณแนนนี่คะ่ะการทำบุญให้ผู้ล่วงรับ <c oughs> นั้นได้รับจริงหรือไม่คะ ถ้าผู้รงรับอยู่ในฐานะที่จะรับก็ได้รับก่อนที่ตายไปแล้วดวงวิญญาณนี้เป็นไปหลายแบบถ้าไปเป็นเทวดาก็ไม่ต้องรับบุญเพราะมีบุญติดตัวไปถ้าไปเป็นเปรตก็จะมาขอบุญเพราะไม่มีบุญติดตัวไปเป็นขอทานส่วนพวกที่ไปตกนรกก็เป็นพวกที่ไปติดคุกออกมาไม่ได้ออกมารับบุญไม่ได้พวกที่ไปเกิดเป็นเดรัฉานก็เขาก็หากินเองได้ พวกที่ไปเกิดเป็นมนุษย์ก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วแต่ว่าจิตที่ตายไปไปเป็นอะไรถ้าไปเป็นเปรตก็จะมาขอรับส่วนบุญได้แต่ถ้าไปเป็นอย่างอื่นเขาก็ไม่ต้องมาขอรับส่วนบุญหรือมารับไม่ได้คําถามจากคุณดาริยาค่ะกราบสอบถามพระอาจารย์หนูทํางานกับบริษัทแห่งหนึ่งหนูไปติดต่อราชการหน่วยงานหนึ่ง แต่เจ้าหน้าที่คนนั้นเขาต้องการเงินซึ่งเขาให้เราจ่ายเยอะมากแต่ทางบริษัทหนูก็ยอมจ่ายค่ะแต่หนูคิดว่าไม่สมควรค่ะและไม่ชอบเขาเลยค่ะยิ่งเจอเยอะยิ่งไม่ชอบทำให้จิตใจหนูไม่สงบเลยค่ะไม่ทราบจะแก้อย่างไรเจ้าคะก็คิดว่าเป็นการทาบุญทำทานไปก็แล้วกันหรือว่าเป็นค่าใช้ใจ่าย เหมือนกัไปซื้อสินค้าเราก็ต้องจ่ายเงินเขาถึงจะให้สินค้าเราเราต้องการการบริการของเขาถึงแม้ว่าเขาจะได้รับเงินเดือนแล้วแต่เขายังมาเรียกค่าบริการจากเราเองถ้าเราต้องการบริการเราก็ต้องให้เขาไปถ้าเราไม่ให้เราก็จะไม่ได้รับการบริการดังั้นก็ต้องถือว่าเป็นเป็นเรื่องธรรมดาของโลกนี้ สวัสดีชั่วมันเป็นเรื่องของเขาเราไปห้ามเขาไม่ได้เขาจะทุจริตเขาจะขอรับชั้นอันนี้เป็นเรื่องของเขาเรื่องของเราคือเราต้องผ่านเขาเราต้องการเราต้องการรับการบริการหรือรับของจากเขาเราจะได้เราก็ต้องจ่ายเขาเราก็ต้องจ่ายเพราะนั้นคําถามจากคุณพิทยาค่ะพระอาจารย์คะขอความชัดเจนในความบริสุทธิ์ของศีลค่ะ เพราะหลายคนกังวลใจที่ไม่มีศีลเลยไม่คิดจะปฏิบัติธรรมกราบอนุโมทนาเจ้าค่ะเวลาเรานั่งเฉยๆไม่พูดไม่คุยกับใครเราก็มีศีลเต็มร้อยเลยเนี่ยตอนนี้เรานั่งเฉยๆเมื่อเราไม่ได้ฆ่าเราไม่ได้ลักทรัพย์ไม่ได้ประพฤติผิดประเวณีเราไม่ได้พูดปดเราไม่ได้ดื่มสุราเราก็มีศีลครบอยู่แล้วงั้นพยายามอยู่เฉยๆอยู่เรื่อยๆเราก็จะมีศีลไปเรื่อยๆ คำถามจากคุณวอระพารค่ะวัดข้างบ้านไม่มีลูกศิษย์วัดเห็นสมพานท่านถอนหญ้าเองและขับรถรับกิจนิมนต์เองจะเป็นอะไรไหมครับก็เป็นพายุคใหม่ไงพยุคสมัยใหม่ท่านก็ปรับไปกับ อ, อยุคสมัยคือสมัยก่อนชาวบ้านเขาคิดว่ายานี่เป็นของมีชีวิตไปถอนหญ้าก็เหมือนกับไปฆ่าหญ้า แต่สมัยนี้เราก็รู้ว่ามันไม่มีชีวิตมันไม่มีวิญญาณก็ก็ไม่มีไม่ถือว่าบาปก็เลยไม่มีใครถือสาใครผ่าจะถอนหญ้าบ้างก็เท้าก็เข้าใจกันส่วนเรื่องขับรถสมัยก่อนไม่มีรถให้ขับพระพุทธเจ้าก็เลยไม่ได้ห้ามพอมาสมัยนี้มีรถท่านก็เลยคิดว่าพระพุทธเจ้าไม่ห้ามก็ขับได้ คำถามจากคุณชัยค่ะปราบนรรมสการ์คัณฑรอาจารย์ครับกระผมได้ทำสมาธิโดยกำกับคำบริกรรมพุทโธตามลมหายใจเข้าออกแต่จิตมันไม่นิ่งเลยครับกระผมเลยตามมันไปทุกเรื่องโดยมีสติอยู่กับลมหายใจเข้าออกทำแบบนี้ถูกต้องไหมครับไม่ควรจะตามเรื่องตามราว ถ้าเรานั่งสมาธิถ้าจะดูลมก็อยู่กับลมอย่างเดียวอย่าปล่อยให้ใจไปตามเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้ถ้าอยู่กับพุทธโธก็พุทธโธอย่างเดียวอย่าปล่อยไปตามความคิดต่างๆถ้าตามความคิดแล้วใจก็จะไม่นิ่งไม่สงบไม่ๆมมันก็จะสู้กันเราพุทธโธไปมันก็จะคิดไปด้วยก็อย่าไปสนใจกลับมาที่พุทธโธพุทธโธ ถ้าเราอยู่กับพุทธโธไปเรื่อยๆต่อไปความคิดต่างๆมันจะเบาไปบางบางไปแล้วเดี๋ยวต่อไปก็จะหายไปเนือแต่พุทธโธอย่างเดียวคาถามต่อไปค่ะกราบนมัส ก, การค่ะหนูปฏิบัติธรรมมานานแล้วจะมีโอกาสเป็นโรคซึมเศร้าหรือไม่คะ อ, อ๋อไม่มีทางถ้าคนมีปฏิบัติธรรมถูกต้องนะถ้าปฏิบัติผิดกรกเป็นได้ ปฏิบัติถูกต้องต้องมีสติถ้ามีสติแล้วสติจะทําให้ใจเบิกบานจะไม่ทําให้ใจซึมเศร้าใจซึมเศร้าเพราะขาดสติไปเกิดความอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้อยากทําสิ่งนั้นสิ่งนี้พอไม่ได้ทําไม่ได้สิ่งที่อยากได้ <pint> ก็จะเกิดอาการซึมเศร้าตามมายังขอให้ระมัด ร, ระวังความอยากไว้ให้มากๆความอยากกับความคิดเนี่ยคิดถึงเรื่องนั้นอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อยากให้เขาทาอย่างนั้นอย่างนี้ให้เรา พอเขาไม่ทําเราก็เสียใจเศร้าขึ้นมาเ อ, อะเระาวาังความอยากหยุดความคิดหยุดความอยากด้วยสติแล้วรับรองได้ว่าจะไม่มีกวนซึมเศร้าคำถามจากคุณไกรรักค่ะกราบนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะกราบเรียนถามเวลานอนหลับกลางวันแล้วต้องการตื่นแต่ลืมตามไม่ขึ้นคืออาการผีอำผีอำมีจริงไหมเจ้าคะ แล้วมีวิธีแก้ยังไงเจ้าคะก็จิตดอนนมันเดือถึงเวลาตื่นไม่ยอมตื่นก็ต้องใช้พุโทโธพุโทโธพอมันตื่นแล้วมันยังไม่ยอมลืมตาแล้วก็พุโทโธพุโทโธไปเดี๋ยวมัน ก, มนก็มันก็หายเดือคำถามจากคุณพิมพรค่ะกราบเรียนถามพระอาจารย์เจ้าค่ะตั้งแต่หนูได้ฟังธรรมะพระอาจารย์แล้วทําให้หนูได้ปฏิบัติตนเองดีขึ้นค่ะ และชอบไปวัดมากขึ้นและใจของหนูมันสงบสบายมากๆค่ะกาบเรียนถามหนูปฏิบัติถูกทางแล้วใช่ไหมเจ้าคะเวลานั่งสมาธิก็สงบมากเจ้าค่ะถูกต้องน ะ, ะต่อไปก็หัดใช้ปัญญาให้ปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างรูปเสียงกลิ่นลดการกระทำของคนอื่นเขาจะทำอะไรเขาจะพูดอะไรก็อย่าไปกุดหยิดกับเขา ปล่อยวางปล่อยเพราะเราไปควบคุมบังคับเขาไม่ได้เขาเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเขาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาสามวันดีสี่วันไข่จะให้เขาดีไปทุกวันก็ไม่ได้วันไหนก็ไม่ดีเราก็อย่าไปหงุดหงิดกับเขาแต่ว่าเป็นเรื่องธรรมดาเราไปควบคุมบังคับเขาไม่ได้แล้วเราต่อไปจะไม่ทุกข์กับใคร <c oughs> คันถามจากคุณปุ๊ ค, ค่ะ กราบเรียนถามพระอาจารย์ครับการทำสมาธิโดยใช้คําบริกรรมพุทโธแต่คําบริกรรมนี้ขัดกับลมหายใจทำให้จิตใจไม่สงบควรปฏิบัติอย่างไรครับ้าใช้พุทโธก็ไม่ต้องใช้ลมหายใจใช้อย่างใดอย่างหนึ่งไม่ต้องใช้สองอย่างถ้าบริกรรมพุทโธก็ไม่ต้องไปยุ่งกับลมเลยไม่ต้องไปสนใจกับลมให้อยู่กับคาบริกรรมเพียงอย่างเดียว ถ้าดูลมก็ดูลมอย่างเดียวไม่ต้องใช้พุโทโธถ้ามันขัดกันบางคนเขาไม่ขัดเขาไปด้วยกันได้เขาก็ใช้ทั้งสองอย่างแล้วแต่ความเหมาะสมของแต่ละคนตอนนี้ไม่มีแล้วมดแล้วนะไม่มีก็จะรอสักสองนาทีถ้าไม่มาสองนาทีก็จะปิดรายการแล้ววันนี้ <c oughs> นะพุโทโธ อย่างเดียวก็พอไม่ต้องดูลมก็ได้ถ้าไม่อยากพุทโธอยากจะดูลมก็ดูลมอย่างเดียวไม่ต้องพุทโธก็ได้ต้องดูสังเกตดูว่าอันไหนทำให้ใจสงบเราก็เอาอย่างนั้นถ้าพุทโธแล้วไม่คิดเราก็พุทโธไปถ้าพุทโธแล้ว ร, รู้สึกเหนื่อยไม่อยากจะหยุดพุทโธก็ดูลมต่อได้แต่แต่ถ้าดูลมแล้วยังคิดอยู่ก็อาจจะต้องหยุดดูลมก่อนแล้วกลับมาพุทโธก่อน พุโทโธนี่จะช่วยหยุดความคิดได้แต่พอหยุดความคิดแล้วพุโทโธอาจจะเหนื่อยก็อาจจะหยุดพุดโทโธแล้วก็มาดูลมต่ออไม่ต้องพุโทโธดูเฉยเฉยล้วอาจารย์คะแล้วถ้าเราสลับกันแบบนี้มันมันเกิดความคิดหรือเปล่าเจ้าค่ะก็ไม่คิดแต่ถ้ามันพุโทโธกับลมมันจะไปคิดได้ไงมันคิดก็อย่าไปสนใจมันทำก็ เ, เพื่อให้มันหยุดความคิดเนี่ยก็เหมือนสลับกันไดใช่ไหม<า> ก, ก็แล้วแต่ว่ามันควรจะทําอย่างไรไง ถ้ามันดูลมแล้วมันคิดอย่างงี้ก็อาจจะหยุดดูลมก่อนแล้วก็มาพุโทโธก่อนเพื่อเพื่อหยุดความคิดพอหยุดความคิดได้แล้วก็มาดูลมต่อก็ได้สาธุเจ้าค่ะเดี๋ยวท่านนี้เลี๋ก่อนบนศาลาข้างหลังมีไหมมีมีอยู่บ้างเนียอยมีคําถามเข้ามาค่ะจากผู้ประสงค์ไม่ออกนามขออนุญาตถามค่ะ ถ้าเรามีความคิดที่ไม่ดีเกิดขึ้นแต่เราไม่ได้แสดงออกทางกายทางวาจาทำให้เรารู้สึกไม่ดีที่อยู่ๆก็มีความคิดที่ไม่ดีเกิดขึ้นเราสามารถควบคุมความคิดเราได้หรือไม่คะแล้วจะต้องทำอย่างไรเจ้าคะเราต้องใช้สติไงก็คือใช้พุทโธหยุดความคิดที่ไม่ดีได้ื่องความคิดต่างๆดีแลไม่ดีเราหยุดมันได้ถ้าเรามีพุทโธพุทโธ นั่นถึงให้ฝึกพุโทโธกันไงเพราะพุโทโธนี้เป็นเหมือนเบรกที่จะหยุดความคิดต่างๆแต่ถ้าเราไม่เราไม่ฝึกพุโทโธพอถึงเวลามันจะหยุดก็หยุดไปไม่ได้งั้นพยายามหัดมาฝึกพุโทโธกันคําถามจากคุณไตรศักดิ์ค่ะกราบเรียนถามพระอาจารย์ครับการอุทิศบุญขณะถือศีลห้าและการอุทิศบุญขณะถือศีลแปดเพื่อให้ลูกชาย ที่เสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุทางรถมอเตอร์ไซค์ขณะอายุยังน้อยอายุเพียง13ปีเพื่อให้ได้บุญมากที่สุดควรทําอย่างไรบ้างครับ อ, อบ๋อุญอุทิศบุญด้วยศีลไม่ได้หรอกเพราะเราไม่มีศีลที่บริสุทธิ์งั้นจะอยากจะอุทิศบุญให้อุทิศบุญด้วยการทําทานใส่บาตถวายสังฆทานบริจาคเงินสร้างวัดสร้างกุฏิจะได้บุญทันที แต่รักษาศีลนี่มันยังเป็นแบบล้มลุกคุกคานอยู่เหมือนถ้าเป็นการปลูกต้นไม้ก็เพิ่งปลูกต้นไม้ยังไม่โตยังไม่ออกดอกออกผลแต่แต่ส่วนการทําบุญทําทานนี่เหมือนพอทําปุ๊บก็ออกดอกออกผลทันทีตายบาทปุ๊บก็ได้บุญทันทีบริจาคเงินสร้างวัดก็ได้บุญทันทีแต่ศีลนี่มันเป็นบุญคนละอย่างกันมันใช้เวลามาก เพราะศีลเรามันไม่สะอาดบริสุทธทั้งวันทั้งคืนยี่บสี่ชั่วโมงตลอดเวลามันจึงไม่มีอ น, นิสงส์อะไรงั้นถ้าอยากจะอุทิศบุญก็หมั่นทําบุญไปเรื่อยๆทาทานไปเรื่อยๆใส่บาตรบ้างบริจาคให้โรงเรียนบ้างก็ได้ให้วัดบ้างก็ได้ให้โรงพยาบาลบ้างก็ได้แล้วก็สามารถอุทิศบุญได้ทันทีเลยคําถามจากคุณวิราวันค่ะ อธิบายตอนดูลมหายใจดูยังไงเจ้าคะดูที่ปลายจมูกไงลมเข้าออกมันต้องออกที่ปลายจมูกใช่ไหมเหมือนดูคนที่จะเข้าออกประตูเราดูที่ไหนเราก็ดูที่ตรงประตูนเะอ่าไม่ต้องไปตามคนเข้าตรงที่ประตูจะนับคนเข้าออกก็นับตรงที่ประตูนั่นแหละพอคนเข้ามาก็นับหนึ่งคนออกไปก็นับสองเนี่ยนับหนึ่งสองสามสี่ไปเรื่อยๆอันนี้ก็เหมือนกันดูลมเข้าก็ดูที่ปลายจมูกอ่ะมันเข้าออกที่ไหนละ่ะ มันก็ออกที่ปลายจมกูกนะ อ, อก็ดูตรงนั้นมันเข้าก็รู้มันเข้ามันออกก็รู้มันออกมันสั้นก็รู้มันสั้นมันยาวก็รู้มันยาวเหมือนคนเข้าใส่เสื้อสีแดงก็รู้ใส่เสื้อสีแดงคนออกใส่เสื้อสีขาวก็รู้ใส่เสื้อสีขาวก็รู้แค่นั้นเองให้เฝ้าดูไปเฉยๆให้มีงานทํำไ like, งจะได้ไม่ไปไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เอถ้าให้นั่งเฉยๆไม่ให้ทําอะไรเดี๋ยวมันก็อดคิดไม่ได้ คำถามต่อไปจากอาจารย์หนึ่งเจ้าค่ะภาวนาไตรสรณคมได้ไหมครับได้เราอยากจะใช้ไตรสระนคมแทนพุทธโธก็ได้บุตทางสระนังกชามิธรรมสระังกะชามิสังฆังสรณังกชา ม, า ม, กชามิก็สลับทำไปเรื่อยๆพูดไปเรื่อยๆออก็เป็นเหมือนการสวดมนต์อย่างหนึ่งหมดแล้วเลยเหมดแล้ววันนี้เอาแค่นี้ก่อนนะ